ภายหลังจากนี้ท่านมหาตมะคาร์ทีก็ได้เข้าส่งและได้พูดออกมาเป็นภาษาปัญจาบีในการแปลภาษาปัญจาบีนี้ข้าพเจ้าได้ขอร้องให้สตรีชาวอินเดียผู้หนึ่งชื่อดิฟซึ่งรู้ภาษานี้ดีและรู้ภาษาไทยพอสมควรได้ช่วยแปลให้แต่เนื่องจากจำนวนแปลที่เป็นภาษาไทยมีความหมายไม่ค่อยชัดข้าพเจ้าจึงได้กราบเรียนถามท่านมหาตมะคาร์ทีอีกครั้งหนึ่ง